โลกแห่งมายาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหกจึงว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเช่นกันดังเช่นนี้ทั้งความเป็นตัวตนและความไม่มีตัวตนจึงม่สามารถกล่าวว่าเป็นสิ่งจริงแท้ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงปฏิเสธความเห็นเรื่องตัวตนและไม่มีตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งจริงและไม่ใช่สิ่งไม่จริงถ้าณจุดหนึ่งแม้คู่ตรงข้ามของมันเกิดขึ้นทั้งสองก็ไม่ได้มีอยู่อย่างจริงแท้โดยสัจธรรมแล้ว โลกนี้อยู่นอกเหนือความจริงและความไม่จริงดังนั้นพระพุทธองค์จึงมิยืนยันในความมีอยู่จริงหรือความไม่มีอยู่จริงหากสิ่งเหล่านี้ในทุกๆแง่มุมมันมิได้มีอยู่แล้วผู้รู้ทั้งหลายจะสามารถบอกว่ามันมีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีขอบเขตจำกัดหรือเป็นทั้งสองอย่าง หรือมิใช่ทั้งสองอย่างได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจำนวนนับไม่ท้วนได้มาอุบัติและเช่นกันจะมาอีกและกำลังมีอยู่ในปัจจุบันเพราะ ส, สรรพสัตว์มีจำนวนมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้ามากมายจึงได้มาอุบัติในการเวลาทั้งสามการดับสิ้นของโลกในการเวลาทั้งสาม มิได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นแล้วทำไมผู้รู้ทั้งหลายจึงสงบนิ่งเฉยต่อขอบเขตอันจำกัดของโลกความลับของชีวิตทั่วไปก็คือคำสอนแห่งธรรมอันลึกซึ้งนี้เองโลกที่เป็นดังเช่นมายานี้ก็คือรสชาติแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคล้ายกับการเห็นช้างปลอมถูกผลิตขึ้น และแตกสลายลงแต่ความจริงแล้วการเกิดขึ้นและการแตกสลายนั้นไม่ได้มีอยู่เช่นกันการเห็นโลกแห่งมายานี้เกิดขึ้นและแตกสลายลงแต่โดยความจริงแท้แล้วการเกิดขึ้นและการแตกสลายนั้นม่ได้มีคล้ายกับช้างปลอม มันเป็นเพียงผลแห่งการทำให้สับสนของความรู้สึกมันไม่ได้มาจากที่ใดหรือไปที่ใดหรือตั้งอยู่จริงๆดังนั้นโลกที่เป็นดังเช่นมายานี้ก็เป็นเพียงผลแห่งการทำให้สับสนของความรู้สึกมันไม่ได้มาจากที่ใดหรือไปที่ใดหรือตั้งอยู่จริงๆ ด้วยเหตุนี้มันจึงมีธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการเวลาทั้งสามนอกไปจากการกล่าวร้ายของสมมุติที่นั่นในความเป็นจริงคือโลกอะไรส่วนไหนที่มีอยู่หรือไม่มีด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงนิ่งเงียบมียอมตรัสอะไรเกี่ยวกับรูปแบบทั้งสี่คือมี หรือไม่มีขอบเขตจํากัดทั้งมีและไม่มีขอบเขตจํากัดไม่ใช่ทั้งมีและไม่มีขอบเขตจํากัดเมื่อร่างกายอันหยาบและเป็นของไม่สะอาดนี้และสิ่งอันเป็นอายตนะภายนอกอื่นๆนั้นมิได้มีอยู่ในจิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงมีอยู่ในความคิดความเห็นได้อย่างต่อเนื่อง แต่คำสอนแห่งธรรมอันยิ่งซึ่งแยบยนที่สุดละเอียดลึกซึ้งลุ่มลึกนอกเหนือเหตุผลและมิอาจอธิบายให้ชัดแจ้งได้นี้จะปรากฏกับจิตง่ายๆได้อย่างไรการแจ้งชัดในความลึกซึ้งของคำสอนและรู้ว่ามันเป็นสิ่งยากที่จะเข้าใจได้พระพุทธองค์เมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆจึงทรงนมอยากที่จะสอนคาสอนนี้ หากเข้าใจคำสอนนี้ผิดๆก็จะทำให้ผู้ไม่ฉลาดถึงความวินาศเพราะพวกเขากลับจะจมลงไปสู่ความสกปรกของนิจชาทิฐิแห่งความดับสูงยิ่งกว่านั้นผู้โง่เขลาที่หลงคิดว่าตนฉลาดที่มีธรรมชาติอันหายนะที่ชอบปฏิเสธต่อต้านกลับจะยิ่งเดินลงตรงไปสู่นรก โดยเอาศีรษะไปก่อนเพราะมิจฉาทิฐิของพวกเขาเช่นผู้ที่ต้องหายณนะเพราะมีการกินที่ผิดแต่จะมีชีวิตยืนยาวปราศจากโรคแข็งแรงและมีความสุขได้เพราะการกินอาหารที่ถูกผู้ที่หายณนะเพราะมีความเข้าใจที่ผิดแต่กลับจะได้รับความสุขและหลุดพ้นถึงที่สุดได้ ก็ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นการละทิ้งมิจฉาทิฐิแห่งความดับสูญและการต่อต้านปฏิเสธด้วยความเคารพต่อคำสอนนี้จะทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะได้รับประโยชน์ในทุกๆด้านหากไม่เข้าใจคำสอนนี้อย่างแจ่มชัดความหมายมั่นว่าฉัน ก็ยังคงอยู่และนี่ก็ยังคงเกิดกรรมชั่วและกรรมดีซึ่งจะนำไปสู่การเกิดใหม่ที่เลวและดีต่อไป